อันนี้ก็เป็นวันพระวันพระตามปกติก็จะเป็นวันขึ้นส5บห้าค่ำขึ้น8ดค่าขึ้นส5บห้าค่แรม8ดค่ำแรมสิบห้าคำหรือแรมส4บ่ค่ำอันนี้เป็นปฏิทินทางจันทรักษณคือการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ดงจันทร์จะโคจรรอบโลกหนึ่งรอบก็ยี่สิบเก้าวันครึ่งสองรอบก็ห้าสิบเก้าวันจึงมีวันแรมสิบสี่ครั้งมีสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบสี่ก็จะได้สองรอบห้าสิบเก้าวันไม่ใช่หกสิบวัน ญาติโยมอาจจะถามว่าทำไมมิวันพระมีวันแรมสิบสี่ค่ำบางทีก็มีแรมสิบห้าค่ำเพราะว่าดวงจันทร์เดินรอบโลกไม่ใช่หกสิบวันต่อสองเดือนหรือสามสิบวันต่อเดือนโคจรรอบโลกยี่สิบวันครึ่งต่อหนึ่งเดือนได้ได้หนึ่งรอบนั่นหนึ่งเดือนของ ของประจันจึงยี่สิบเก้าวันครึง่งเมื่อเป็นเช่นนั้นวันพระก็เลยต้องมีวันสิบสี่ค่ำเพื่อจะได้ครบถ้าสิบห้าค่ำมันก็จะเกินถ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นหกสิบที่ความจริงมันห้าสิบเก้ามันเดินรอบโลกสองรอบ ในห้าสิบเก้าวันก็เลยมีวันแรมสิบสี่คำทุกทุกทุกสทุกสิบห้าสิบห้าสิบห้าทุกสามสิบห้าแล้วก็มวีวันขึ้นแรมแปดคำ่ำเป็นวันพระว่าโดยเฉลี่ยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยก่อนเขาใช้ปินตทินทางจันทลคติ ไม่ได้ใช้ทางสุริยะคติสมัยนี้เราใช้สุริยะคติเราใช้การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในสามร้อยหกสิบห้าสาม้อยหกสิบห้าวันก็แบ่งได้สิบสองเดือนเดือนก็ไม่ครบไม่ไม่สามสิบเอ็ด มีทั้งสามสิบอ็ดมีทั้งส0มสิบมีทั้งยี่บแปดหรือยี่บเก้าเพราะว่ามันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้สามรอยหกสิบห้าวันมันขาดนิดเกินหน่อยก็เลยต้องแบ่งเดือนให้มันพอเหมาะพอสมกันสมัยนี้เราเลยมีเราใช้วันหยุดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์สมัยโบราณ เขาใช้วันหยุดตรงกับวันพระวันโกนวันโกนนี่ก็คือวันที่พระโกนผมวันโกนพระจะโกนผมเดือนหนึ่งจะโกนหนึ่งครั้งเม่อวันพระวันโกนใหญ่เช่นขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นส4บสี่คก็จะเป็นวันโกนผมวันก่อนวันพระ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 แต่ใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีทรัพย์สมบัติเหมือนกันทรัพย์สมบัติของใจเราเรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในยเพราะใจเป็นเป็นของภายในไม่ได้เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ถือว่าเป็นของภายนอกใจนี้เป็นของภายใน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 วันหยุดแทนที่จะเข้ามาวัดเพื่อมาหาทรัพย์สมบัติให้กับใจก็ไปหาความสุขทางร่างกายไปพักผ่อนทางร่างกายไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเขาคิดว่าชีวิตเขามีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวก็เลยต้องใด้เวลาให้กับ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 ดูแลจิตใจที่เป็นส่วนเีกส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับใจร่างกายอยู่ได้แปดสิบเก้าสิบร้อยปีก็ต้องหมดสภาพไปตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้หมดสภาพไปกับร่างกาย ใจไม่มีวันตายร่างกายต้องการทรัพย์สมบัติใจก็ต้องการทรัพย์สมบัติเหมือนกันเนี่ยวันวันพระนี้พระพุทธเจ้าเลยสอนให้พุทธศาสนิกชนมาเข้าวัดเพื่อมาหาทรัพสมบัติให้กับใจเขาเรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่จะสามารถเอาติดตัวไปได้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 นี่คือที่ไปสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเห<อ>ตุที่ทำให้ผู้ที่ไปอบายก็คือการไม่รักษาศีลหรือการทำบาปการทำบาปนี้จะทำให้เวลา ร, ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจ จะต้องไปรับผลบาปผลบาปก็คือเปรตอสุรกายนรกหรือเดรัจฉานไปเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งตามตามตำราหรือตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้การไปเกิดได้เป็นเดรัจฉานเพราะทำบาปโดยไม่รู้ว่ามีผล เช่นคนทำมา ห, หากินอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดว่าเป็นอาชีพสุดจริตคิดว่าไม่ผิดกฎหมายทำแล้วไม่มีผลตามมาคือตายแล้วก็จบพูดง่ายๆเพราะเขาไม่รู้ว่าผู้ที่ต่อไปรับผลบาปนี้คือใจ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 อาาทำบาปเพื่ออย่างชีพนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดราชาญพราดเดาชาญเขาก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่ออย่างชีพสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเพื่ออย่างชีพเขาไม่ได้กินเพื่อที่จะร่ำรวยหรือเพื่อเป็นใหญ่เป็นโตเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อให้ร่ำให้รวยสัตว์นี้เขาไม่สะสมเขาไม่ เขาไม่กินเขาไม่ค่ามากกว่าที่เขาต้องการเขาค่าเพื่อที่จะให้เขายัางชีพอยู่ได้นีคนที่ทำอาชีพก้าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้อยู่ได้ก็เป็นพวกเดรัจฉานจิตใจเป็นเดรัจฉานส่วนคนที่ข่าสัตว์ตวชีวิตทำบาปเพื่อให้ร่มให้รวยให้มีมากๆตรงนี้เ็าเรียกว่าพวกเปรกนะ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 กลัวว่าเราจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เลยไปทำร้ายบุคคลหรือสิ่งที่จะม า, าทำร้ายสิ่งของของเราในทำบาปด้วยความกลัวก็วจะไปเป็นผีเป็นอสุรกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคลียดแค้นโกรธเกียด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 ถ้ารักษาศีลห้าข้อได้ตายไปจะไม่ไปอบายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาไม่พูดปดเนี่ยถ้ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้ตลอดชีวิตตายไปจะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนเพราะเหตุที่ทําให้ไปเกิดมันไม่มีนั่นเอง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 แต่วันนี้เป็นวันที่เรามาเรียนรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการที่จะดูแลรักษาใจซึ่งเป็นตัวเราของเรานี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนโดยการไม่ให้ทำบาปแล้วถ้าเราอยากจะมีสมบัติติดตัวไป เราก็ต้องทําบุญบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันบุญนี้จะทําให้เราได้สมบัติหลายชนิดเรามีได้มนุษย์สมบัติได้เทวะสมบัติได้พรหมสมบัติได้อวิยะสมบัติมีสมบัติหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะหาได้ด้วยการทําบุญ ถ้าเราทำบุญทำทานถ้าเราไม่ทำบาปรักษาศีลห้าได้เราก็จะได้เทวสมบัตินได้ไปเป็นเทวดามีสมบัติของเทวดาพอตายไปก็ไปซื้อบ้านของเทวดาอยู่ได้ซื้ออาหารของเทวดากินได้ซื้อเครื่องนุ่มของเทวดากินได้เรียกว่าเทวสมบัติ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 สอาหารยารักษาโรคไปได้เพราะว่าไม่มีร่างกายแล้วใช้ไม่ได้นะสมบัติของร่างกายนี้มีไว้สำหรับเวลามีร่างกายเท่านั้นเฉั้นถ้าเวลาตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทำบุญเลยแล้วไปทำบาปเนี่ยก็จะไปได้สมบัติของเดรัจฉานสมบัติของเปรตสมบัติของผีสมบัติของนรก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 ขึ้นไปสวรรค์แล้วทั้งๆ ท, ที่ยังมีร่างกายอยู่เวลาเราทําบุญในใจเรามีความสุขสุขชั้นเทพถ้าเราทําบุญด้วยการให้ทานถ้าเราทําบุญด้วยการทําใจให้สงบเราก็จะได้บุญชั้นอเราก็จะได้ความสุขชั้นพรหมแล้วถ้าเราทําบุญระดับปัญญาตัดกิเลส ตความโลภโกรดหงได้เราก็จะได้ความสุขืได้สมบัติของพระอริยเจ้าถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ความทุกข์ของเปรตของเดรัจฉานของอสุลกายของนรกนี่คือสมบัติต่างๆที่เราจะเอาติดตัวไปปัจจุบันเวลาเราทำบาปนี้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 ถือสียงแป่มานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้พรมสมบัติเราก็จะได้เป็นพรมที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นเทพเป็นความสุขที่ลึกกว่าหนักกว่าใหญ่กว่าดีกว่ากว่าความสุขชั้นเทพ ความสุขชั้นเทพนี่ดีกว่าความสุขชั้นมนุษย์นี่ความสุขของสมบัติต่างๆนี้มีความต่างกันถ้า ม, มีมีเทวสมบัติก็ซื้อความสุขของเทวดาถ้ามีพรหมสมบัติก็ซื้อความสุขของพรหมแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมฟังคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอามาปฏิบัติที่สอนให้เรากำจัดความโลกโกรธหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะมันทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด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 ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าเจ็ดชาติถ้าได้สกิรดาคามีก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากถ้าได้อนาคาคาีก็จะไปเกิดที่สวรรค์พร ม, มโลกแล้วไม่ไม่เสื่อมลงมาไม่เสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกไม่เสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้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 หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วถ้าอยากจะไปสู่อริยะโลกของพราะอาริยะเราก็ต้องเจริญปัญญาต้องเห็นว่าทุกเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความโง่ความอยากต่างๆ ต, ต้องเห็นว่าการจิตการที่จิตต้องมาเสื่อมมาเกิดเป็น มนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมก็เพราะกิเลสตัณหานี้เป็นผู้ที่ดึงใจให้ต่ําลงมาจากสวรรค์ชั้นอริยก็ลงมาสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นเทพชั้นมนุษย์แล้วถ้าทําบาปก็ลงไปต่ำกว่ามนุษย์ไปเป็นเปรตเป็นเดะชะฉานไปเป็นผีไปเป็นนรกไปตกนรก ลรกนี้เป็นที่ต่ำสุดที่มีความทุกข์มากที่สุดลองลงมาก็พวกเปรตพวกอสูรกายพวกเดลฉ า, าน์แล้วลองลงมาก็พวกมนุษย์มนุษย์นี้จะมีทุกข์น้อยกว่าเดลฉ า, าน์แล้วก็ลองลงมาก็เทวดาเทวดาก็มีทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ลองลงมาก็พรหม พรหมก็จะมีทุกข์น้อยกว่าเทวดาแล้วพรหมก็ลองลงมาก็พระอริยบุคคลขั้นหลังด่า ง, างจะมีทุกข์น้อยกว่าเพราะจะมีการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปนั่นเองพระโสดาบันก็จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งถ้าเป็นพรหมนี่ยังเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ท่วนอยู่ยังไม่มีวันหมด เพราะพรหมนี้ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าต้นเหตุของการมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากกิเลสตัณหานี้เองแต่พระสโสดาบันนี้ท่านรู้เหตุของการมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆแล้วท่านก็สามารถกำจัดไปได้บางส่วนจึงทําให้พบชาติของท่านเหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก พอได้เป็นพระสกิรดาคามีก็ได้ลดอได้ทําลายความโลภความอยากให้น้อยลงไปเพิ่มมากขึ้นไปก็เลยทําให้พบชาติเหลือเพียงพบเดียวแล้วพอได้เป็นพระอนาคามีก็สามารถทําลายความโลภความอยากที่จะมาทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพได้นะครับ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 หาเงินหาทองแล้วก็ทำบาปแบบไม่สนใจไม่กลัวบาปไม่มีเฮลิโอตาปะาะคิดว่าตายไปแล้วไม่มีผู้ไปรับผลบาปนั่นเองเพราะว่าเห็นมีร่างกายเห็นร่างกายเป็นผู้กระทำบาปแล้วเมื่อร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปแล้วใครที่ไปรับผลบุญผลบาปเนื่ย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 ที่เราอาศัยกันอยู่นี่เรียกว่าโลกกทาสส่วนโลกกระทิปนี่เรามองไม่เห็นกันเพราะตาในของเราถูกอวิชชาความมืดบอดเปิดเอาไว้จึงมองไม่เห็นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ชาระกําจัดอวิชชาความมืดบอดออกจากใจจึงทำให้ใจเกิดตาทิปขึ้นมาสามารถมองเห็นโลกทิปโลกของ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 เห็นโลกทิพย์ชั้นต่างๆเห็นโลกทิพย์ชั้นอริยเจ้าเห็นโลกทิพย์ชั้นพรหมเห็นโลกทิพย์ชั้นเทเห็นโลกทิพย์ของมนุษย์เห็นโลกทิพย์ชั้นเปรตชั้นผีชั้นนรกนี่เป็นโลกทิพย์ทั้งนั้นมีโลกกระทาดอยู่สองพวกก็คือมนุษย์กับเดชะชานตอนนั้นจิตมาอยู่กับ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 เหตุที่ไปดีก็รู้ว่าเป็นอะไรก็จะมาสร้างเหตุที่ดีเพื่อที่จะได้ไปสู่โลกทิพที่ดีต่อไปโลกทิพที่ดีที่สุดก็คือพระนิพพานเนพระนิพพานก็ต้องมีสมาธิมีปัญญามีศีลแปดขึ้นไปถึงจะไปพระนิพพานได้ถ้ามีแค่ศีลห้าแล้วก็มี การทำบุญทาทานก็ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้ามีศีลแปดมีสมาธิก็ไปสวรรค์ชั้นพรมถ้ามีมีปัญญามีสมาธิมีศีลแปดก็ไปนิพพานได้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆได้นี่คือสิ่งที่ใจของเราจะเป็นกันอยู่ที่การกระทาของเรา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 สวรรค์ชั้นพรหมนี่ยังเสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์วิธีที่จะรักษาใจไม่ให้เสื่อมลงมาก็ต้องทําลายเหตุที่ทําให้ใจเสือเอ่อมเหตุที่จะทําให้ใจเสื่อมก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทุกครั้งที่เราทําตามความอยากนี้เรากําลังดึงใจให้ตกต่ำดึงใจให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉาน ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราตามความอยากถ้าเราทำตามความอยากด้วยการรักษาศีลไม่ทําบาปเราก็จะเป็นมนุษย์ถ้าเราทำตามความอยากด้วยการไม่รักษาศีลเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเรามองไม่เห็นกันไม่รู้จักหน้ารู้จักตาไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริง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 นั่งแล้วก็เอิดอัดงนทางใจช่วไปนั่งดูทีวีนั่งกินเหล้าไม่ดีกว่าสนุกกว่าสบายกว่านี่คือลักษณะของคนที่เห็นเพียงร่างกายแต่ไม่เห็นใจไม่รู้ว่ามีใจเหมือนคนที่เห็นต้นไม้แต่ไม่เห็นรากของต้นไม้ก็คิดว่าฝันต้นไม้ทิ้งแล้วต้นไม้ก็จะาตายฟันมันทิ้งแล้วมันไม่ตายเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะมันยังมีรากอยู่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 ก็ต้องอาศัยคนตาดีนำทางไปอยากจะไปไหนก็ต้องอาศัยคนที่ตาดีพาไปทนายพวกเราก็อยากจะไปดีกันไม่อยากจะไปไม่ดีกันเราก็ต้องเชื่อพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าตายไปแล้วเราไม่ได้ศูนย์เราไม่ได้จบเรายังไปต่อไปดีหรือไปไม่ดีก็อยู่ที่การกระทํำของเราการกระทําที่ดีกับการกระทํำที่ไม่ดีเราก็ไม่รู้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 เพื่อจะได้ตัดภพตัดชาติตัดต้นเหตุของภพของชาติคือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะไล่ไปถึงที่ดีที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือพระนิพพานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางอ น, นั้นถ้าเราทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน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 และใครจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราผู้ที่จะกำหนดอนาคตของเราก็คือการกระทำของเรานี่เองทำดีก็จะไปดีทำชั่วก็จะไปชั่วนี่คือเหตที่จะพาให้เราไปดีหรือไม่ดีอนาคตของเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันนี้เองถ้าทำดีอนาคตก็จะดีทำไม่ดีอนาคตก็จะไม่ดีทำบาปอนาคตก็จะไม่ดี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 ยะถาวะเรวาหาปุราปะริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตตินังเปตาหนังอุปกาปฏิอิจิตังวัทจีตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ ชรโสยตาสพิตโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีทีคายุโกภวะนะพิวาธนศีลิตสะนิจังวุทธาปะจายิโนยัตตารธรรมาวาธานติอายุวันโอสุขัง อาลอาสวันนี้ขึ้นสายนะรางวัลก็เป็นราไม่รู้สาเหตุนนะ ไฟขึ้นถึงแปดแสงเข้าถึงแปดไม่รู้มาจากไหนอาหารดีก็หายไปเลยเหนือแค่หนึ่งไม่กี่ห น, นึ่กกองอ่านนมไม่ตรงนี้ออกบางแก้เอาสองก็ตรงนี้ชอบหยุดไม่สคยีดีได้ ยังตอ่อยังซื้อหมดแนละ้วสื้อหมดสื้อมีนะครับอันนีคนติดตามเท่าไหร่ที่ดูอยู่ตอนนี้318ค่ะสามให้เราเปิดสองสอันมันไม่ชนกันนะไม่ได้กดเกล่นกดกดเล่นไม่ได้ร ดูเฉยๆได้เพราะมันเป็นเท้าเดียวกันในชะ่แล้วถ้ากดเล่นมันจะไม่มันไม่มันไม่เล่นอนะหรือว่ามันจะ ม, มันแห้งนะให้ดูข้อความได้แต่มันไม่มาทำให้ตัวที่กำลังถ่ายทอดสดได้เสียไ ม, ไม่ไม่ไม่รบ ก, กวนกัน มีคําถามอะไรอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะหรือส่งข้อความเข้ามาทาง facebook ก็ได้เข้าไปในหน้า facebook แล้วก็พิมพ์ส่งเข้ามาก็ได้ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามวันนี้ก็เขียนข้อความส่งเข้ามาได้ youtube ก็ได้ facebook ก็ได้ facebook ก็พาาระาญาสุชาติอภิชาโตเฟซบุ o กพระสุชาติไลฟ์ภาษาอังกฤษ อยากจะถามอะไรหรือเปล่า ม, มาฟังที่ตรงน้ำไม่เคยถามอะไรเลยก็าถามทีหมดแล้ว อ, อ๋อถามหมดแล้ววัน<ช>รู้แล้วสายสงสัยหมดแล้วไม่มีถามหมดแล้วไม่มีคำถามแล้วเออเชิญเข้ามาเออเข้ามาหงอยใกล้ๆกงจะได้เสียงขั้ค่ะข้อแรงนะคะคือถ้าเราถ้าเราผิดสิง เราเคยคิดสินและกําลังก็มีบางคารั้งที่ผิดโดยไม่ได้เจต น, นาอยู่บ้างปัจจุบันนี้อย่างเช่นตกอยู่ในพวกนี้นะคะการเราทำบุญอก็คือเหมือนเหมือนละลายเกลือในน้ําไม่หรอกมันคนละบัญชีกันแยกการเงินกู้กับเงินฝากอย่ามันคนละบัญชีกันเราไม่สามารถเจือจางเกลือให้มันม น, น้อยลงมันจะมันจะเป็นตัวที่มามาแข่งกันดูว่าใครจะ ออผลก่อนกันเช่นเวลาเราตายนี้บุญกับบาปที่เราทํานี่มันจะมาเป็นตัวแย่งใจเราไปถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดึงเราไปรับผล <พร S 1> บาปก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดึงเราไปรับผลบุญก่อนแต่บาปก็ไม่หายนะมันพอเราไปรับผลบุญแล้วบุญกับบาปเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอเราตายไปเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาจะตาย บุญถ้าบาปมีมากกว่ามันก็จะดึงเราไปรับผลบาปต่อไปมันก็จะดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยเหมือนเกวียนที่มีมีมีวัวอยู่สองตัวตัวหนึ่งดึงไปข้างหน้าตัวหนึ่งหนึ่งไปข้างหลังตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางของมันังนั้นเราพยายามทาบุญให้มากมากกว่าบาปไปเรื่อยๆก็บาปก็ยังไม่มีโอกาสที่จ ะ, สะแสดงผล แต่ถ้าเราตายไปยังไงแล้วก็ต้องใช้บาปอยู่ดีฉันถึงแม้ว่าบุญจะมากกว่าก็ใช้ตอนที่มันถึงเวลาที่มันจะเกิดเนี่ยแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่ใช้ถ้าบุญมันมีอยู่เรื่อยๆมันก็จะยังไม่มีบันทําให้บาปยังไม่มีโอกาสที่จะส่งผลมันยังดึงเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ได้ไปเป็นเปรตไม่ได้ แต่ถ้าวันไหนบุญเราน้อยกว่าบาปมันก็จะเดินเราไปไปเกิดในอบายทันทีเวลาที่เราตายไปมีขน้นะคะที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการถือศีลแปดคือถ้าเราถือศีลแปดในชีวิตประจำวันคือถ้าเราพวปากผู้คนน้อยอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามถือศีลแปดแต่แต่ถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิ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 แต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ความรู้สึกเปิดอัดมันจะหายไปแต่มันก็หายเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิพออกจากสมาธิมาพอกิเลสตาหาเริ่มทำงานมันก็ทำให้เรารู้สึกเปิดอัดขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้มันไม่มารบกวนใจพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความอึดอัดนี้เกิดจากความอยากของกิเลส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 แล้วต่อไปมันก็จะหายอยากเช่นอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินนั่งสมาธิไปเรื่อยๆทุกครั้งอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินเนี่ยต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเพราะเราไม่ไปทำตามความอยากจะ ต, ต้องเห็นโทษด้วยว่าการทาการกินข้าวเย็นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขจะต้องเห็นด้วยปัญญาว่าการกินข้าวเย็นที่ไม่ใช่สุขอมันทุกข์เพาทำให้ติด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 ถ้าเรากลัวว่ามันจะส่งผลก็ทำบุญเยอะๆเพราะการทำบุญนี้เหมือนกับเป็นการสร้างเบาะเบาะที่รองรับเวลาที่เราตกมาจากที่สูงถ้าเรามีเบาะรองรับอยู่วเวลาตกลงมามันจะไม่เจ็บถ้าเราเคยทำบาปามากแล้วเราอยากจ ะ, อ, ะอยากจะคายว่าไม่เดือดร้อนกับวิบากเวลามันเกิดขึ้นก็ให้ทำบุญเยอะๆ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 ถ้าได้เป็นผ้าละหันละใจจะไม่เจ็บเลยกับความเจ็บของร่างกายวิบากอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นที่ร่างกายทั้งนั้นแล้วมันก็จะไม่สามารถมาทําสร้างความสะเทือนสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เพรนั้นถ้ากลัวว่าจะต้องไปรับวิบากที่ทําไวนะ้ก็พยายามปฏิบัติให้ถังได้ทําสูงๆขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกําลังที่จะ รับกับความรับกับวิบากกรรมต่างๆได้ก็คือการเน้นไปที่การภาวนาอ่าภาวน า, านั่งสมาธิให้เนียมากถ้าทำบุญมันก็จะมามาม า, มาผัดการเกิดของบาปคือเวลาตายไปก็มันยังดึงเราดึงเาไปสวรรค์ก่อนนี้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 แต่เวลาหลับนีสติก็หยุดทำ ง, งานเนี่ยมันจะหลับไม่ได้หยุดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบกับจิตนี่สติมันจะรับรู้ทันทีมันจะตื่นขึ้นมาทันทีมันเป็นอัตโนมัติอยู่ที่การฝึกสติของเร า, เาที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านไม่ได้นอนเลยสามปี สีป่ปีเจ็ดปีอย่างเนี้ยค่ะฝึกสติตลอดนี่มันเป็นยังไงครับเราก็ไม่รู้นะว่าไม่นอนได้ยังไงเจ็ดปีครัอนอกจากไม่ละมันอาจจะถือสามท่ามั่ถ้าจะหลับก็หลับในท่าท่าทั้งสามแตไม่จะไม่หลับในท่านอนถือสามวิริยาบทถ้าจะหลับก็อาจจะนั่งนั่งนี้ก็หลับไปก็เป็นไปได้ถ้าจิตใจที่มีความอดทนมีความอ่าเข้มแข็ง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 เพราร่างกายมันก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนเป็นปกติเข้าใจน ะ, ะมีใครอยากจะถามให้ไม่มีเดี๋ยวจะให้คำถามทางบ้านเข้ามาอ่ะเข้ามาเลยทำํำถามทางบ้านคำถามจากคุณชัดชิมนมณ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 จะว่าบาปก็ยังไม่บาปเพราะว่ามันก็มีการตกลงกันไว้ก่อนว่ า, อาขอขออะไรได้พิเศษนี่ถ้าเขาให้เขาแสดงว่าเราก็ไม่ได้ลักทรัพย์อาจจะลักเวลาของบริษัทคือเอาเวลาของบริษัทมาทํางานให้กับบริษัทแล้วเวลาได้ผลประโยชน์ก็ไม่ให้บริษัทให้เข้ากระเป๋าเราอย่างนี้ก็เรียกว่าลักทรัพย์ของบริษัทได้ จากคุณพัฒนธละพรลูกขอสอบถามว่าการที่เราทําบุญแล้วขอใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีจะทําให้บุญเราลดลงไหมคะลดเจ๊เพราะเราขอเงินคืนเนี่ยสมมติเราทำร้อยหนึ่งแล้วเราขอคืนมาสิบบาทเราทําจริงๆก็เก้าสิบมันก็ลดนะสิมันก็ไม่ได้ ท, าทําเต็มร้อยเพราะรัฐบาลขอช่วยทำสิบบาทขอร่วมทำสิบบาท เป็นเงินของรัฐบาลสิ บ, บาทเป็นของเราเก้าสิบบาทรัฐบาลทําอย่างนี้เพื่อจะเป็นเครื่องจูงใจให้เราได้ทําบุญกันคำถามจะคุณซับนะครับข้อที่หนึ่งขั้นตอนในการพิจารณาอาสุภกรรมฐานสําหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนควรเริ่มต้นจากอะไรคะก็ดูอะไรก็ได้ในร่างกายที่ดูแล้วมันทําให้เรา ขยะขยงเห็นแล้วมันรังเกียจเนี่ยคืออย่าไปมองที่ทำให้เราเกิดความลักความค่ขึ้นมาให้ไปมองในส่วนที่ทำให้เราเกิดความรังเกียจเกิดความไม่อยากจะอยู่กับคนนี้อยู่ใกล้คนนี้เราต้องการดับการอารมณ์การอารมณ์นี้มันจะทำให้เราอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นอยากจะอยู่ใกล้คนนี้และการมีความอยากเขาเห็นว่าคนนั้นคนนี้น่ารักน่าดูน่าชมเนี่ย เพราถ้าไม่อยากจะมีการบวมก็ต้องมองส่วนที่มันไม่น่าดูน่าชมในร่างกายมันมีทั้งสองส่วนส่วนน้าดูก็มีส่วนน้าดูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายนอกอยู่ที่ผมขนและฟันดูกันแค่เนี้ส่วนที่ไม่น่าดูมันมองไม่เห็นมันถูกหนังหุ้มห่อเอาไว้ส่วนที่อยู่ภายในนี้มันไม่มีอะไรน่าดูเลยโครงกระดูกนี่น่าดูไหะ ปอดนี่น่าดูไหมหัวใจน่าดูไหมตับไตไส้พุงนี้่ของสกรปรกต่างๆที่ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าอาสุภทั้งนั้นอะ่ะเพระฉะน้น hmm. ถ้าเราอยากจะดับความรักความคล้ก็ต้องมองของที่ไม่น่าดูของคนที่เรารักเราคล้ายแล้วเราก็จะไม่ไม่มีความรักเขาคล้ายถ้าคนที่เรารักใคร้เกิดเขาตายไปนี่เรายังยงลักเขาอยู่หรือเปล่า มันจะเก็บเข้าไว้นอนว่าคืนนี้ขอนอนเลยสักคืนไม่เอาแล้วบ า, บายบายไปเลยใครจะได้อยากจะได้เอาไปเลยพอไม่มีลมหายใจแล้วนี่ใครอยากจะได้เอาไปเลยแต่ถ้ายังมีลมหัวใจอยู่นี่ฆ่ากันตายนะใครเอาไปเนี่ยข้อสองการทําอสุภกรรมฐานเช่นนี้จําเป็นต้องไปหาภาพมาดูให้ตึกตาก่อนไหมคะ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 น้อนมาน้อนอะไรมากินอะไรก็ไปดูเนี่ยศพสามวันศพห้าวันศพเจ็ดวันเนี่ยในพระสูตรสติปัฏฐานสูตรท่านก็อธิบายให้พิจารณาซากศพสิบชนิดตายใหม่ตายหนึ่งวันตายสามวันตายสามวันพองขึ้นมาตายสี่วันอะไรเริ่มแตกเริ่มอะไรโผล่มาแล้วมีหมามากัดมาแทะมีนอนขึ้นมีอะไรกระดูก ก็เดินใบคนละทิศคนละทางเนี่ยคือไปดูไปดูซากศพไปดูของจริงกันไปเยี่ยมป่าช้ากันเพราะถ้าไ ม, ม่มันไม่มีที่อื่นดูเนี่ยที่อื่นมีแต่ของสวยๆเงาๆทั้งนั้นมีแต่คนแต่งหน้าทาปากทั้งนั้นไปไหนมันก็มองไม่เห็นถ้าอยากจะเห็นของที่ไม่สวยก็ต้องไปที่ป่าชา้าหรือไปที่โรงพยาบาลไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือดูคนแก่คนแก่คนแก่ก็เป็นร่างกาย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 เป็นธรรมเนียมของวันี้ทุกเวลาเข้ า, ขาพรรษาพาพระไปดูอสุภะกันแต่สมัยนี้ถ้าไม่อยากจะไปดูก็เปิดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้มีภาพสดต่างๆมีภาพอนาตอมีดูของเหล่านี้แล้วเอามาเนึกอขี่อยู่เรื่อยดูหนนเดียวไม่พอเดี๋ยวมันดูดูแล้วต้องเอามานื้อขี่เรื่อยๆนื้ให้มันบ่อยเนึกให้มันจําได้ เหมือนกับเราเตรียมน้ำไว้ดับไฟต้องหาน้ามาสะสมไว้ยเยอะๆพอเวลาเกิดไฟไหม้ก็จะได้มีน้ำดับไฟเวลาเกิดกามมลภาวะเกิดกามอารมณ์เกิดความไข้ขึ้นมาพอเห็นนึกถึงอสุภปะปั๊หมันก็จะหายมันก็จะดับแต่ถ้านึกไม่ถึงลืมไปมันก็จะไม่ดับมันก็จะไปหาคนนั้นหาคนนี้ ข้อที่สามก่อนจะมาถึงขั้นตอนของการพิจรารณาอสุภกรรมฐานจําเป็นต้องทําสมาธิหรือสมถภาวนาให้ได้อย่างต่ำถึงขั้นอุปจาระก่อนไหมคะหรือไม่จําเป็นสามารถพิจรารณาอสุภกรรมฐานได้โดยตรงเป็นสมถะไปเลยคือถ้าจะพิจารณาแป๊บเดียวนี้มันไม่ต้องมีสมาธิแต่ถ้าจะพิจารณาทั้งวันทั้งคืนนี้มันต้องมีเพราะธรรมดาใจมันไม่ยอมพิจารณา พอเวลาใจไม่มีสมาธินิ้กิเลตมันจะดึงไปให้มองแต่สุภามันจะมองให้ไปคิดแต่ของสวยๆงามๆ ม, มันจะไม่ยอมคิดในของที่ไม่สวยไม่งามถ้าจะบังคับมันก็ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะนึกถึงสุภาษณ์หนเดียวพอละอย่างนี้ไม่พอมันต้องแบบนึกของมันจนระทั่งมันจาได้ติดตาติดใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอย่างงั้นถ้าถ้าจะเห็นแบบนั้นมันจะต้องมีสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธินิจใจจะถูกกิเลสลากไปดูอย่างอื่นแทนแทนที่จะมาดูสุภาษิตมันไม่ยอมดูเวลาดูก็เกิดอาการอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเห็นภาพไม่สวยไม่งานแล้วเกิดอาการอิดจะอิดจะเอื่อเกิดอาการเบื่อหน่ายไม่อยากจะดูแต่ถ้าเวลาใจมีความสงบมีสมาธินิจใจจะเป็นกลางจะเฉยเฉยเห็นภาพสวยก็เฉยเห็นภาพไม่สวยก็เฉย ก็จะดูได้นานที่ต้องให้ดูนา น, านๆดูบ่อยๆเพื่อให้จําได้ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าดูเดียวดเดีย ว, วเดี๋ยวมันลืมดูปป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันลืมพอเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมาหยุดมันได้แต่ถ้าเราดูแบบไม่เลยเนี่ยพอเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็เอามาหยุดมันได้เลยคําถามจากคุณแสงทิพย์นะครับหนูรู้สึกไม่สนุกกับการท่องเที่ยวหรือการพูดคุยกับคน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 ธรรมทานสังแล้วก็อภัยทานก็มีอยู่สี่อภัยทานก็คือยกยกโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองใครใครด่าเราเราก็าไม่เป็นลายสาธุผ่านไปพอเราให้อภัยเขาเราก็สบายใจเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราโกรธเขาเราก็เดือดร้อนขึ้นมาถ้าเราให้เงินทองไปก็เรียกวัตถุทาน ถ้าเราสอนคนนั้นให้เขารู้จักวิชาท ร, รมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เป็นวิทยาทานเช่นสอนเด็กติวเด็กวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษ า, าอังกฤษโดยไม่คิดเงินทองอย่างนี้เ็าเรียกว่าวิทยาทานธรรมทานก็สอนธรรมะอย่างที่ากาลังสอนอยู่นี้ก็เรียกว่าธรรมทานงเราก็ทาทานอยู่ทุกวันแต่เราทาธรรมทานทำวันละสองรอบถ้าเป็นมัน วันพระก็เช้ากับบ่ายถ้าวันธรรมดาก็รอบเดียวแต่การทาให้ทำนี้ธรรมะการให้ทั้งปวงธรรมะนี่มีคุณค่าราคามากกว่าวิทยาทางมากกว่าวัตถุทานเพราะธรรมะทำให้คนที่ได้ไดรับไปนี้ให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่วิทยาทาน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 อยากฟังอนุปุกภาพพิกคาถาจากพระอาจารย์ได้ไหมครับอยากเซฟเก็บไว้ฟังทำไมไม่ไปเปิดก o เก l e ดูล่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดก o เก l e ดูถ้าไม่ลืมแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอยู่คำถามจากคุณภารย์ลกเวลาเดินจงกรมจะบริกรรพุทโธกาธกับ แต่เวลานั่งสมาธิจะรู้สึกบาสบายต่อพุทโธถ้าเปลี่ยนมากําหนดตามดูลมหายใจการทำเช่นนี้คือทั้งพุทโธและลมหายใจจะทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าครับไม่หรอกมันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันใช้แทนกันได้แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะได้ผลดีกว่าเราก็ใช้อย่างนั้นบางเวลาเราใช้พุทโธได้ผลดีเราก็ใช้พุทโธ บางเวลาเราดูลมแล้วได้ผลดีเราก็ใช้การดูลมเปลี่ยนได้เหมือนกับเพียงแต่อย่าไปเปลี่ยนในขณะที่ทําเช่นเวลานั่งดูลมก็อย่าไปเปลี่ยนเป็นพุโทโธกลับไปกลับมาดูลมก็ต้องดูลมอย่างเดียวให้มจิตมันเกาะติดเป็นเรื่องเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพรามันอาจจะทําให้ใจวอกแวกไม่นิ่งเอาอย่างเดียว คำถามจากคุณพาผมนั่งภาวนาพุโทโธแล้วมันเหมือนมีคนทําตัวผมตรงความคิดก็ดับลงรู้แค่กายหายใจมันดีไหมครับให้รู้อยู่ที่พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปรู้อยู่ที่เรื่องอื่นมีเรื่องอื่นอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจยังไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือให้มันวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันนิ่งสงบสบาย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 มันไม่มันไม่สุขเหมือนกับซื้อเครื่องใหม่มาแล้วยกใครเขาไปเลยเออมันมันสุขกว่ากันเยอะนะดังั้นต้องอ ย, อยู่ที่หนึ่งเป็นของที่เรารักมากรักน้อยถ้าเรารักน้อยสิทาให้เขาไปเราจะไม่รู้สึกได้บุญมากเหมือนกับให้ของที่เรารักเท่นเขามาขอลูกอย่างพระเวสสันดรนี่มาขอการหาชาลีนี่ท่านก็ยกไปให้เขาไป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 เวลาที่กลับมาเกิดในชาติหน้าหมายถึงในแง่ของการสะสมใช่ไหมครับอาจารย์จะได้สะสมไมว่<อ>า<อ><อ>ที่จะกรรมมาหาเราเนี่ยแต่แค่ความสุขมันจะเท่ากัน<อ>ถ้าแต่ปริมาณตัดส่วนนี้ยออใช่ข้อที่สองหากนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงกลนตัวเองแล้วจะดุ่งตื่นเกิดจากอะไรครับแสดงว่าเราไม่ได้หลับสนิทไงคำถามจากคุณบงกฎ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 ทำการบ้านซ้อมข้อสอบทุกข้อสอบทําให้ตอบข้อสอบทุกข้อสอบให้ได้ก่อนมันตอบได้แล้วเวลาไปสอบมันก็ตอบได้แต่ถ้าไม่ซ้อมเลยแล้วบอกว่าเวลาตายมาพุโทโธมาทําใจให้สงบมาปองว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันทําได้หรือเปล่านั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นงั้นอย่ามาพูดว่าตอนตายยให้ทําไงต้องมาถามว่าตอนเป็นให้ทําไงเพื่อที่เวลาตายเราแย่ตายอย่างสงบเรืยตายตามที่เราต้องการ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 สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับอ่าสอนให้เขามองทุกอย่างเป็นความว่างทั้งหมดว่างว่างว่างว่างว่างอย่างเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาถึงสถานการณ์จริงเนี่ยเอาไม่อยู่เงิคืออะไรครับพนักงานก็มันมันหลอกตัวเองไงพอเห็นเงินมันก็ไม่ว่างแล้ใช่ไหมพอเห็นของที่น่าดูน่าชมก็ไม่ว่างแเห็นไลฟ์โฟนนุ่นใหม่มากก็ไม่ว่างแะถ้ามันว่ามันก็ต้องเฉยหมดกับทุกอย่างที่เห็นเนี่ย คาว่าว่างก็คือให้ใจเราเฉยไม่ยินดียิร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราเห็นความว่างเรามีความยินดียินร้ายนะใช่มมันต้องมันต้องว่างอย่างนั้นว่างแบบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะว่างจากเวลาเราอยากจะว่างเวลาไม่อยากก็ว่างก็ลืมไปเลยอืเขาแจ้งให้ฟังว่านั่นคือการที่เขาไปปฏิบัติมาก่อนที่จะมาฟังพระาพอาจารย์ครับหลังจากมาฟังพระอาจารย์แล้วเนี่ยก็าทาตามพระอาจารย์เนี่ยเอาอยู่ แต่ก่อนนั้นนี้คือไม่อยู่เลยเออว่างว่างว่างว่างแต่พอเจอสถานการณ์อะไรกระเทือนใจคือไปหมดเลยใช่เราไปทำไปเอาที่ผลไงผลมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปนั่งคิดอย่างนั้นเราต้องทําที่เหตุแคน่เทตก็คือทําใจให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันก็จะว่างกับทุกอย่างไปเองคําถามจากคุณกรุงจินนะครับผมนั่งสมาธิกําหนดบริกรรมพุทโธถีที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 เมื่อสงบแล้วไม่อยากออกจากสมาธิผมจะต้องนั่งต่อไปจนอยากออกหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับออกมาทำไมเหรออยู่บนสวรรค์ดีอยู่แล้วจันลงมานรากทำไมอยู่ไปสิเนี่ยนั่งเพื่อให้มันอยู่ได้อยู่นานๆฤาษีบางคนก็นั่งทีละเจ็ดวันสิบห้าวันมันสุ ก, กวาวมากินข้าวสู้อยู่ในสมาธิมันไม่หิวข้าวมันอยู่ได้เป็นวันๆเลย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 ถึงชอบติดแอร์กันเนี่ยใจคนเราก็ต้องติดแอร์เนี่ยสมาธิของใจเนี่ยแอร์ของใจก็คือสมาธินี่แหละพยายามอยู่ให้นานๆถ้าจะออกมาก็ต้องมีปัญญามาคอยรักษาไม่ให้มันร้อนถ้ามีปัญญาเวลา เ, ลาเกิดตัวที่จะมาทําให้ร้อนก็หยุดมันตัวที่ทําให้ร้อนก็คือความโลภความอยากนี่แหละพอมีปัญญาก็บอกว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากโลภจะต้อง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 เพราะถ้าไปอยู่วัดคนเขาก็ถือศีลแปดด้วยกันทุกคนก็ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจเหมือนกับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเราถือศีลแปดเขาไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเขากินข้าวเย็นเขาก็ทํากับข้องกับข้าวกินมันก็โชยเข้าจมูกเราใจเราก็จะตบะแตกก็จะอดไม่ได้ยิ่งถ้าถ้าเราไม่สามารถไปวัดได้แต่ถ้าเรามีกําลังใจที่เข้มแข็งก็รักษาได้ทุกแห่งทุกคน อาจจะทุกข์มากหน่อยเพราะว่าต้องต่อสู้กับสิ่งที่มายุ่ยยวนกวนใจมากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัย <laughs> เดี๋ยวฟังทำแล้วมันสงบสบาย <laughs> ถามจากคุณจักกรีถ้าทำผิดแรงสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับคือแบบว่าอย่างเช่นผิดสังฆาท่เลสสังฆาที่เศส หรือปาลาชิกสามารถบรรลุได้ไหมครับถ้ามองตามตามความเป็นจริงมันได้นะเพราะองคุลิมาฆ่าคนขอเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก็ยังบรรลุได้แต่ว่ามันยากเท่านั้นนะถ้าเราไปทำบาปแล้วโอกาสที่จะพลิกอย่างองคุลิมาได้นี่มันมันน้อยมากอย่าไหมครับนึงบอกว่าถ้าใครไปทงผิดปาราชิกแล้วนี่ โอกาสที่จะบรรลุนี่ไม่มีทางขนาดสินค่าสี่ข้อนี้ยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปฆ่ากิเลสได้ยงไงมันยากกว่าการต้องหลายร้อยเท่าเองแต่ฆ่าตัวสี่ตัวที่จะมาทำให้เราผิดศีลไม่ได้นี่นั้นถ้าทาบาปถ้าทำบาปตาม ท, ท, ท, ท, ที่พระพุทธเจ้าห้ามทำแล้วก็อย่าไปหวังว่าเราจะบรรลุได้เลยคงถามจากคุณมงคล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 เมืนเราอยากจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ําอย่างเงี้ยเรามีความอยากแล้วแต่เราไม่ไปหาข้ามของมาสร้างมันก็ไม่ข้ามมันก็ไม่มีสะพานเนี่เราข้ามถ้าเราอยากจะมีสะพานเราก็ต้องไปหาซื้อวัสดุก่อสร้าง<ม>ไปจ้างวิศวกรจ้างช่างมาสร้างตั้ง<ม>ดเดี๋ยวมันก็ได้สะพานข้ามไปเองนั้นต้องมีเหตุเหตุก็คือการการศึกษาการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า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 มีความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันออันนี้ก็เรียกว่าบุญคนที่เสียทางจิตใจจะมีความสุขมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเสียมากกว่าคนที่รู้สึกเสียน้อยกว่าก็จะไม่มีความสุขใจเหมือนกับคนที่เสียมากกว่าทั้งๆ ท, ที่เงินก็เท่ากันแต่อันนี้สองจากการทําบุญร้อยบาทเท่ากันทีชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะได้ร้อยบาทบวกกับดอกเบีย้ยเท่ากันเข้าใจไหม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 เพรใจเราไปมัวโฟว์อยู่กับการงานด้วยมันก็เลยไม่สงบะเน้นจะทํา ท, ทางใจก็หย่าไปทําทางกายนอกจากการทําทางกายไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้เช่นถ้าเป็นพระเวลาปัดกวาดนี้ท่านก็พุทโธพุทโธไปเวลาบิณฑบาตก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็ท่านก็ยังทําทางใจได้คือห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงของต่างๆเรื่องราวต่างๆ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 าการที่เราจะไม่ทุกข์เพื่อทําตามใจคนอื่นนี่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมทุกข์แล้วเราก็จะไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่ยอมทุกข์แล้วอยากจะทําตามที่เขาอยากให้เราทํานี้เราก็จะทุกข์เห็นวิธีที่ถ้าเราอยากจะทําตามใจเขาเราก็ต้องปลงว่าอะเราเป็นเหมือนทาสก็แล้วกันเข<อ>า<ๆ>เป็นเหมือนเจ้านายเขาต้องการให้เราทําอะไรเราก็ทําให้เขาไปหมดทุกอย่าง อย่างน้อมันก็จะไม่ทุกทางใจมันก็จะทุกทางร่างกายเช่นเขาจะให้เราไปแบกปูนแบกอะไร เ, เราก็ทำไปให้เราไปกวาดไปถูไปทำอะไรเราก็ทาไปอย่างนี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์คำ ถ, ถามจากคุณภาวนาเวลาทำบุญแต่คิดว่าถ้ามาทำบุญเพื่อจะได้เลยๆกับคนที่ทำบุญเพื่อความสุขใจผลบุญนั้นจะเท่ากันหรือไม่คะมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะ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 ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดาและภพในชั้นต่างๆสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้นเพราะผลบุญที่ได้มามันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไหว้หลวงพ่อทีนึงสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างนี้เป็นแบบนั้นหรือไม่ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ไม่มีญาอย่างทราบไม่ไม่กล้าตอบ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 กำลังทุกข์กับเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่พอเขาบอกว่าทุกข์เพราะความอยากพอเราหยุดความอยากปั๊บก็หายทุกข์ได้เลยถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจว่าความอยากเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้เดี๋ยวก็สงบได้จิตก็สงบเรื่องหลับไปก็ได้ถ้าหลับก็แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็จะไม่หลับก็จะนิ่งจะรู้จะรู้ว่านิ่งจะรู้ว่าสงบ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 แต่เวลาเราไม่สบายใจเราไปอยู่วัดมันก็เหมือนกันเนะ่ยวัดก็คือโรงพยาบาลรักษาโรคใจโรงพยาบาลก็เป็นที่รักษาโรค ก, กายเฉนั้นเวลาตอนเราไปอยู่วัดก็บอกว่าเราไม่สบายเราไปรักษาตัวก็ไม่เป็นการทอดทิ้งภาระหน้าที่ไปรักษาใจไม่งั้นเดี๋ยวใจเราไม่สบายเราก็ไม่มาทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์อกีกเนี่ยเราต้องรักษาใจให้เราสบายมีความสุขแล้วเราจะทํำหน้าที่ได้อย่างดีคนที่อยู่กับเราก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่มีความสบายใจคนที่อยู่กับเราเขาก็ลำคาญใจพูดก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีบ่นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่วัดกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างงั้นขอให้คิดว่าการไปวัดนี่เป็นการไปรักษาใจเป็นการเข้าโรงพยาบาลเเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เป็นการทอดทิ้งหน้าที่แต่เป็นการที่เราจะต้องไปรักษาตัวเราก่อน ก่อนที่เราจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้ดีได้จิตใจร่างกายของเราต้องดีเพราถ้าจิตใจเราไม่ดีเราก็ต้องไปรักษาจิตใจของเราที่วัดหมดเรื่อยังอ่าอีกข้อนึงค่ะำถามจากคุณแบทแมนเวลาพะระอัดกวาดลานวัดหรือภายในบ้านอาจจะเจอมดมแมลงท่านทำยังไงให้หมดมแมลงหายไปไม่มารังควานครับอ๋อไม่ละก็ปล่อยมันอ่ะว่ามา เพราะบางครั้งเวลาปัดกวาดแม้ว่าบ้านหรือลานวัดก็อาจทําให้สัตว์เหล่า น, นั้นตายได้ใจไม่อยากฆ่าเขาครับแต่บางคร<ป>ั้งก็ให้เขามากินอาหารในบ้านอย่าไปกวาดอย่าไปถูกตัวมันเสร็จก็ข้ามไปตรงไหนมีมดเราก็ข้ามไปปล่อยช่วงที่มันมีมดก็ปล่อย ม, ม, มันอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ไปมดบางทีมันย้ายบ้านย้ายช่องกันมันก็ต้องมีการเดินขบวนฮะเดี๋ยวพอมันย้ายเสร็จมันก็หายไป ถ้าเรามถ้าเราเห็นเราก็เรียงมันถ้าเราไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้บางทีตัวมันเล็กมองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็กวาดไปก็ถือว่ามันกรรมใครกรรมมันก็แล้วกันหมดแล้วนะอาการนี้ก่อนนะเอเข้าถึงเท่าไรนะหร่แล้วรายงานไม่เกินสามแสนครับามแสนแล้ววันนี้โอ้ <laughs> เข้าถึงสามแสนแล้วติดตามสามร้อยกว่า <laughs> รับชมสามร้อยกว่าก็ดีเขาไม่ยังดูยังมาดูออฟไลน์ได้ครับออฟไลน์ก็วันหนึ่งก็ห้า0กพันแล้วเสักเดียวห้ากพันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ